สิ่งที่มันถ้าจะพูดมันใกล้เคียงที่สุดก็คือทุกอย่างเนี่ยทั้งสิ่งที่มีอาการที่ปรากฏอาการได้ปรากฏความรู้สึกนรืคิดอารมณ์ได้กับความไม่มีคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนเลยที่เรียกว่าใจหรือจิตเดิมแท้หรือจะเรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่ามหาสุญญตาก็ตาม คือมันไม่ได้อยู่ในความสนใจให้ใครความสำคัญอีกเลยคงปล่อยให้ qualité. ธรรมชาติฝ่ายที่ปรุงแต่งซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งของเขาตาม ป, ปกติไม่ใช่เป็นกิเลสนะเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งตามธรรมดาของขันหา้าก็คงปล่อยให้ธรรมชาติของความปรุงแต่งมันมีอยู่ปรุงแต่งมันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ธรรมชาติของใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ก็คงปล่อยเขามีอย่างนั้นแหละ แต่ไม่มีใครไปยึดทั้สองอย่างนั้นไม่มีใครไปยึดทั้งสองอย่างนั้นใจที่ไม่ปรากฏอาการไม่ปรากฏกิริยาการใดๆเลยเหมือนกับเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนเลยก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นใจของมันอยู่อย่างนั้นส่วนในสังขารที่มันมีอยู่มีกิริยาการมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันยังต้องไม่ตายอย่างแสดงกิริยาการอยู่ก็ยังมีอยู่มันอยู่อย่างนั้น แต่ตั้งใจที่ว่างเปล่าแล้วก็ขันห้าที่แสดงกิริยาการอยู่ในในความว่างเปล่าแล้วเนะี่ยมันไม่มีใครไปสนใจให้ค่ายความสําคัญในความยึดถือเลยตั้งสองอย่างเลยคือขันห้าเรียกว่าธรรมชาติไปปรุงแต่งก็ไม่มีใครไปยึดถือให้ค่ายความสำคัญกับมันมันก็คล้ายๆกับว่าเขาเรียกอะไรว่าแมกาบาูบักอาจารย์ท่า น, นใช้คําว่ามันก็มีอยู่อย่างเก้อ สิ่งที่มันมีอยู่นก็มีอย่างเกอรเกอร์คือมันมีขึ้นมาอยู่อย่างนั้นแหะแต่ไม่มีใครไปยึดถือมันไม่มีใครไปให้ค่ายความต้องกามันแต่ส่วนความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลของใจเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นซะแล้วมันก็คงมีขึ้นมาอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับมีอยู่อย่างเกอร์เกอร์ไอ้ใจที่เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่ามีของสิ่งที่มีคือมันเป็นความไม่มีอยู่เกอรเกอร์อย่างนั้นน่ละไม่มีใครไปยึดความไม่มี ไอ้ส่วนขันธ์หที่เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งอยู่ยังไม่ตายมันก็มีอยู่มันอย่างเก้อเกกันเนี่ยไม่มีใครไปยึดสิ่งที่มีสรุปแล้วคือทั้งสิ่งที่มีและสิ่งที่ไม่มีไม่มีขับไปยึดเลยมันจ ะ, จะเรียกชื่อมันก็ได้ไม่เรียกชื่อก็ได้สิ่งที่มีเรียกว่าขนาันธ์ห้าไอ้สิ่งที่ไม่มีนี่ชื่อมันเยอะมากเียกว่าพุทธะเรียกธรมรมธาตุเรียกมหาสุญญาตาเรียกอวกาศแห่งจิตเดิมแทเรียกว่าจักรวาลเดิมแต่ก็เชื่อเชื่อสมมุติทงั้นแ่ะ แต่ก็คือมันก็รู้ว่าเนี่ยมันมีธรรมชาติของที่ปรุงแต่งคือขันห้าที่ยังไม่ตายก็ก็เป็นธรรมชาติที่ก็มีอยู่เกิดดับดับอยู่แล้วก็ธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่ไม่ปรากฏการเกิดดับก็มีอยู่ไม่ใช่ว่ามีแบบมีนะคือมันไม่มีอยู่จริงเออมันจะพูดว่าไงภาษาแล้วก็แต่ไม่มีสองอย่างเนี่ยไม่มีใครยึดทัรมธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีใครยึดไม่มีใครไปให้ค่ากว่าะสำคัญ น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีผู้ที่จะเข้าไปให้ค่ายความสำคัญในใจเลยน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในไม่มีที่จะไปให้ค่าไม่มีผู้มาให้ค่ายความสำคัญเรียกว่าสิ้นผู้เสวยอันนี้ภาษาเนี้ยน่าจะชัดที่สุดสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถึมั่นแต่พอไปบอกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรสิ้นผู้เสวยแล้วเป็นอย่างไงยึดหมดเลยอันนี้ยึดหมดรับรองยึดหมดเลยมัน พูดได้คําเดียวก็สิ้นผู้เสมอสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีแล้วก็จะสมมติชื่อวัจัยก็ได้ใจที่ไม่มีอะไรปรากฏมีแต่ชื่อวัจัยหรือชื่อว่าพุทธะแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่มีใครยึดถือทั้งสองอย่างก็คงอยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยคือสิ่งที่มีเนี่ยคือขันห้ากิาการเนี่ยก็เกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับแต่ไม่มีใครมาให้ค่ายพอต้องการทั้งสองอย่างเลยคือขันห้าเหมือนนิ้วห้านิ้วเนี่ยของดวงตาเนี่ยที่มัน ขยุบขยิบขยุบขยิกขยุบขยิบยิบในขาน่ามันจะไม่ตายไงขาน่ากเหมือนดิ้วห้าิ้วของดวงตาเนี่ยขยุบขยิบขยุบขยิบแล้วมันขยุบขยิบเกิดดับเกิดดับอยู่ในอะไรอยู่ในความว่างเปล่าของธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนี่ยคือเรียกว่าภาษาเรียกว่าใจหรือจิตเดิมแท้หรือเรียกว่าพุทธมหาสุญญตาหรือหรือจักรวาลเดิมหรือเรียกว่าอวกาศแห่งจิตเดิมแท้ก็ได้หรือเรียกว่าธรรมธาตุจะเรียกว่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยคำชื่อแต่ก็คือเป็นสิ่งที่ เนี่ยเหมือนกับเป็นความว่างของธรรมชาติของอวกาศจักรวาลเนี่ยส่วนขันห้ากันนิ้วของดวงตาฮะเปรียบเหมือนนิ้วของดวงตาห้นิ้วอะกับยุบกันยิบกันยุบกันยิบยุบอยู่ในความว่างไม่มีใครมายึดถือยุ่งวุ่นวายกับขันห้าที่กันยุบกันยิบกันยุบกันยิกและก็ไม่มีใครมายึดถือความว่างที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเนี่ยของสองสิ่งเนี่ยคือธรรมชาติของขันห้าที่เกิดดับกันยุบกันยิบเหมือนนิ้วห้านิ้วเนี่ย เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในคว่าไม่เกิดดับคือธรรมชาติที่วางเปล่าคือใจไม่มีใครยึดถือทั้งขันห้าที่เกิดดับแล้วไม่มีใครยึดถือใจที่ไม่เกิดดับอันนั้นแหละสิ้นผู้ยึดถือเขาเรียกว่าสิ้นผู้เสมอสิ้นผู้เสมอหรือสิ้นผู้ยึดถือเขาเรียกว่าสิ้นกิเลสสิ้นทุกหรือพ้นทุกภาษาเขาสมมติเรียกว่านิพพานแต่ไปบอกว่าเราจะเป็นอะไรแล้วก็พร้อมสิ้นยึดเราจะไปเป็นอะไร ไปนิพานไปยังไงยึดหมดแดนั้นนะยึดหมดเลยมันสิแต่พูดได้แต่เพียงว่าสิ้นยึดจะเป็นยังไงก็มีใครยึดไอ้ที่มันมีอาการก็มีใครยึดไอ้ที่ไม่มีอาการก็มีใครยึดอันเนี้น่าจะเป็นภาษาสมมติใกล้เคียงที่สุดที่จะมาใช้พูดกันจะไม่บอกว่าสิ้นยึดแล้วเป็นอะไรต่อยึดหมดอนะ่ะไม่เป็นอะไรเลยไม่มีใครเป็นอะไรเลยน่าจะใกล้เคียงที่สุดภาษาเนี้ยมันอย่างเงี้ยท่าน ว่าเข้าใจชัดเจนไหมไหนในเชื่สรุปจบไปผมฟังให้ชื่นใจหน่อยไหมก่อนก่อนถึงจะสรุปขอจะลองยกตัวอย่างซึ่งเป็นประสบการณ์เนี่ย น, นะเราเราคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์แล้วลองทบทวนไปนิดหนึ่งตอนที่มีประสบการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเออความเป็นเราก็เรียกว่าหน้ามืดตาลายจะเป็นลมอะ่ะมันเป็นลมมันจนหน้ามืดตาลายอย่างเนี้ย ตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของความเป็นเองหน้ามือตาลายเนี่ยเป็นความเป็นเองแล้วโซเซเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเป็นเองไม่มีใครไปบังคับไม่มีใครสั่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่โซเทอย่างเนี้ยมันจะมีความคิดความนึกเกิดขึ้นคิดว่าเอ้ยเราจะตายหรือเปล่าเราจะเป็นลมหรือเปล่าอะไรเนี่ยอันนี้คือความเป็นเองหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ที่ว่ารู้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่อาการเนี่ยมันเห็นอยู่ก็คือเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย ว่าอะไรเกิดขึ้นคิดยังไงก็รู้อาการร่างกายมันโซเซยังไงเนี่ยมันรู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งหมดอาการโซเซปรุงแต่งที่มันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมชาติแล้วรู้อันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติไม่มีใครสร้างตัวผู้เจตนาที่จะรู้จะเห็นก็ไม่มีมันเป็นเองล้วนๆเลยถ้าเราเคยมีประสบการณ์ตรงนี้ยเราจะเข้าใจที่หลวงตาพูดเพราะว่ามันมีแต่ความเป็นเอง มันเกิดของมันมันเคลื่อนไหวของมันมันปรุงของมันมันรู้ของมันขณะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะภาวะแบบเนี้ยมันไม่มีทุกข์เลยเพราะไม่มีผู้ยึดไม่มีตัวตนไม่มีอะไรหมดเลยแต่มันจะมากลัวตายเอาจริงๆอ่ะตอนที่มันหายไปแล้วหมายถึงว่าเหตุการณ์จบไปแล้วแล้วก็มาร่ําไรลำพันบอกโอ้โหเมึกวิ้เป็นลมเกือบตายอย่างงน้นอย่างนี้ก็ปรุงไปใหญ่ตอนเนี้ยมีตัวตนแล้วแต่ตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงอ่ะมันไร้ตัวตนจริงๆ ฝ่ายปรุงแต่งก็ไม่มีตัวตนฝ่ายรู้ก็ไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติเพียวๆอันเนี้ยเราว่าถ้าเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นลมเนี่ยน่าจะมองออกนะันทีนี้พอแล้วประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งอัลตมาเคยเคยถูกไฟชอ็อตไฟดูดพอถูกไฟชอ็อตปั้งเนี่ยมันจะเกิดกล้ามเนื้อในกระตกกกกกกกุกึเร็วมากเลยนะ ล้วขณะเดียวกันมันก็มีความคิดเฮ้ยตายแน่เลยอย่างเนี้ไฟชอ็อตมันก็คิดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันมีภาวะมากมายไม่รู้อะไรผุดมาแล้วมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้แจ้งอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอุปมาเหมือนกับว่ารู้นั้นเนี่ยได้แค่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่รู้เนี่ยทําอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวได้แต่รู้เพียวๆ พ, พูดก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้มีแต่ร่างกายขันห้าความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ปรุงขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นสภาวะธรรมชาติที่ เรารู้ละถ้าเคยเข้าใจตรงนี้ยจะเข้าใจที่หลวงตาพูดอ่ะอะเพราะฉะนั้นที่หลวงตาให้สรุปสรุปว่ายังไงก็คือสรุปว่าก็อย่างที่บอกอ่ะคือไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมชาติคอยปรุงแต่งกับธรรมชาติที่รู้สุดท้ายทั้งสองไม่มีเราเลยแล้วมันมายึดเราเอาตอนหลังอ่ะตอนที่เหตุการณ์จบอ่ะ <c oughs> มายึดว่าเอ้ยเมื่อกี้เราเราถูกไฟดูดเราถูกไฟช็อต โอ้ยเรากลัวตายนี่มันมายึดเาตอนหลังแต่ขณะที่เป็นสภาวะอย่างเนี้ยไม่มีเลยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มียึดไม่มีปล่อยก็หมดคำพูดปรุงแต่งเป็นภาษาไม่ได้<笑><笑>ก็ก็เดี๋ยวกลับในบนหลวงตาว่าที่เล่าประสบการณ์จริงแบบเนี้ยถ้าใครเห็นได้เข้าใจได้ก็จะเข้าใจเรื่องเรื่องแบบเนี้ยว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเนี้ย ไม่มีตัวเราเลยล้วนแต่เป็นเองตามธรรมชาติไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ปล่อยมีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วเนี่ยมาเล่าเนี่ยมันหมดไปทั้งนานแล้วแหละแต่มาเล่าให้ฟังเฉยๆครับหลวงตาแชร์ประสบการณ์นเราแชร์ประสบการณ์คับแต่ละคนจะได้ความให้ดีตั้งใจความให้ดีแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นที่พระอาจารย์พูดพระอาจารย์อออท่านพูดนะคะก็เ ค, เคยมีประสบการณ์อยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องการ ปวดไม่เกรงมากแต่ร่างกายมันปวดแต่ตัวรู้เนี่ยก็ไม่ปวดตามอาการนั้นก็คือรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยไปก็ไม่มีการแบบดิ้นรนหรือว่าต้องหายปวดเออเมื่อไหร่จะหายนะอะไรเงี้ยกม็มีความคือรู้รู้อาการของมันเฉยเฉยแต่ไม่ไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่ที่เป็นขึ้นมาที่กายสังขาร น, นะคะกายะกายสังขารขันห้านะคะมันก็ได้แต่รู้สภาวะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแค่นั้นเอง แล้วมันก็ไม่เป็นอะไรเลยมันก็มันก็หายหรือไม่หายอะไรยังไงก็ไม่ได้มีมีเจตนาจะต้องไปทาให้มันเป็นอะไรคนะ่ะอันนี้คือรู้รู้ในสังขารที่มันเกิดในเวทนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ไม่ไปทำอะไรกับมันเลยรับรู้รับทราบที่มันเป็นเท่านั้นเองแล้วอย่างที่หลวงตาให้สรุปตรงนี้ว่าที่ลูกปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะก็ได้แต่รู้รู้สิ่งที่กระทบอายตนะทั้งหลายอ่ะ อ่รู้มันไปแต่ว่าตัวตัวของเราเนี่ยได้แต่ไม่มีอาการในสิ่งที่กระทบนั้นก็คือได้แต่รู้รับรู้รับทรา บ, ร บ, ร บ, ร บ, รบมันไปอยู่อยู่มันไปอย่างเงี้ยเป็นชี้ประจําวันไปเรื่อยๆอยอย่างนี้แล้วก็จะว่ามีตัวตนต ร, ตรงนี้ที่ตะกี้หลงตาท่านชี้แนะตรงนี้ที่ลูกติดอยู่ว่าอ้าวมันก็ไม่มีตัวตนแล้วสิแต่ตัวตนที่เราไปยึดนั่นแหละคิดว่าตัวเอง คือไม่มีแล้วแต่ตัวที่ตัวไปยึดว่าตัวเองไม่มีนั่นแหละก็คือรู้เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องไปไปพูดอะไรกับมันแล้วก็แค่ได้แต่ไ ด, ได้แต่รู้อย่างเดียวรู้สิ่งต่างๆรู้ไปเห็นไปแต่ไอพูดเมื่อก่อตอนนั้นก่อนนั้นที่หลงตาเน่ว่าอ้ามันยังพูดอยู่เลยมันยังพูดนูน่นพูดนี่รู้ไปหมดไอเลนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ก็คือหยุดหยุดพูดแต่ก็รู้อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยก็เลยพูดไม่ได้เลยพอรู้ปุ๊บก็เลยพูดไม่ได้เลยค่ะเมื่อก่อนก็บน่นก็บ่นไปไปรู้ไ ป, ไปวางไปไม่ยึดไม่ยึดไม่ถืออ้าวเราไม่มีแล้วนี่เราไม่มีตัวตนแล้วนี่แต่นี้อีตัวพูดนี่แหละค่ะที่มันยังยึดว่ามีตัวตนอยู่ก็คือหยุดหยุดพูดแต่ก็รู้แค่นั้นเองนะคะถูกต้องไหมคะเจะ้าคะหลวงตาอาสาทุเจ้าค่ะกลาวน้ำมาสกาวน้มาสการหลวงตาคือคือโยมว่าโยม เพิ่งจะเห็นแสงสว่างวันสองวันนี้เองว่าคือว่าโอ้โหโง่อยู่ตั้งนานอ่ะทีนี้มันไม่ยากเลยโยมคิดว่าโอ้โหปฏิบัติทำง่ายอย่างนี้เหรอคือไม่ยึดวางมันแค่นี้ก็จบแล้ว เ, ออเรามวไปยึดอยู่แล้วก็ทุกออยึดไอ้นู้นยึดไอ้นี่ยึดตัวว่ามันเป็นของเราเพราะมันเป็นเราก็เจ็บอย่างเงี้ยมันยึดทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ยึดมันก็แค่นี้เอง โยมก็ว่าโอ้แค่วางมันเนี่ยแค่ไม่เป็นทุกข์กับมันว่าเอออันนี้มันเจ็บอันนี้มันปวดนะอย่างเงี้ยทีนี้พอพอพอโกรธขึ้นมาเราก็โกรธขึ้นแต่ตอนหายเราก็ไม่รู้นะแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรทีนี้อะไรอะไรมันก็สังขารน่ะมันเกิดขึ้นมาของมันเองมันก็ต้องเป็นของมันเองอ่ะหลวงตามันต้องเสื่อมอ่ะอะไรอะไรมันก็ต้องเสื่อมหมดน่ะแม้แต่ที่แข็งแรงที่เขาสร้างขึ้นมามันก็เสื่อมก็พังแล้ว แล้วของเราเนะี่ยมันเกิดมาจากซากพืชซากสัตว์เนี่ยมันจะทนได้ยังไงโยงก็ว่าสบายแล้วตอนเนี้คือไม่ยึดมันวางมันวางมันต้องทําให้ได้อย่างนี้จ้ะค่ะคือเหมือนเหมือนเห็นแสงสว่างอะไรอย่างเนี้ค่ะคือสวดมนต์สวดมาตั้งนานเป็นปีแต่ไม่เข้าใจแต่พอเมื่อวานนี้ไปสวดโอ้มันสังขารสั่งไม่ได้ทําให้มันไม่ได้อยากทำให้มันสวยมันงามก็ไม่ได้ โอ้มันไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดมันทําไมอย่างเงี้ยจ้าค่ะเมื่อวานได้เข้าใจอย่างค่ะถูกไหมคะหลวงตาว่าอาจารย์ก่อนฉั้นข้าวก็สอนค่ะแล้วพอพอตอนเย็นก็สอนอีกเลือกเลือกจากสวนมนต์ก็สอนอีกค่ะตีตีสี่ก็สวดเสร็จก็สอนอีกค่ะเออดีดีดเอางี้แหละไปดีไปไหนนั่นนั่นแน่ โยมสมตามไปพยายามจะไปอุปถาอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเอ้าร้อนในเอ๊ะอออ๋ออ๋พูดไม่ได้พูดไม่ได้จะไปกินวางไม่แล้วพูดเอาไมล์พูดว่าไงเนี่ว่าไงนะโยว่ามันสบายแล้วต่อไปเนี้ยแค่ไม่ยึดแค่นั้นแหละก็ไม่ทุกข์แล้วสาธุสาธุแล้วตอนนี้ยังมียึดอะไรอีกไหมอืมเอ้าวางไมล์เราพูด ไม่ไม่ยึดอะไรค่ะคือแบบว่าไม่อยากได้อนนี้มากไม่อยากได้อ น, นี้มากทําได้เท่าที่ทําเนี่ยค่ะหลังขานมันเจ็บมันป่วยก็แค่รักษามันไม่ต้องไปพะวงกับมันว่ามันจะหายเมื่อไหร่ทาไมไม่เหมือนเดิมพอคิดไปคิดมามันจะเหมือนเดิมได้ยังไงของทุกอย่างมันมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงอะ่ะมันจะให้กลับมาเป็นเด็กเหมือนเก่าก็ไม่ได้ แมกลับหายไปสองวันเนี่ยสองสามวันแล้วมั้งเนี่ยกลับมาแจ้งเลยแม่ใช่ได้ใช่ได้ดีแล้วมันยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยก็ไม่ทุกข์กลับอะไรเลยไอ้ที่มันจะไปเอาอะไรนอะไรไม่อเลยไม่พลุกไม่ทิ้นทุกแม่มันจะไปเอาความไม่ยึดเจะาความไม่ทุกมันก็ทุกตายเลยมันไปยึดความไม่ยึด ไปยึดความที่มันใจมันสิ้นทุกข์ไม่อยากให้มันมีทุกข์ยิ่งทุกข์ใดตอนนี้ดีดีดีแล้วก็ชวยกันสังเกตไปเรื่อยๆไงว่าอืมมันไม่ยึดจริงหรือเปล่าตลอดไปหรือเปล่าอ่าสังเกตกันช่วยกันสังเกตสังเกตตัวเราเองแล้วก็ดูแลเจอกันสังเกตเพื่อตักเตือนกันกัลยนะมิตร สละอ่าคนอื่นแล้วว่าไงวิทูลกระจอย่างเนียคระธกอ่าเดี๋ยนี้ให้บุญสพูดจ่อยๆๆ ย, ย ว, วิทูลเนี่ยเอาพูดถึงใจ น, เ, นเอาไหวิทูลกลับมาพูดไม่ร้อนตางทีเนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยถึงใจหมม่เดี๋ยวนี้ไอ้บุญสพูดจ่อยๆๆอะไรเห็นหเนี่ยวิทูลอานุบูตนา ด, ด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับเยอะสครับอันนี้มันมันก็เป็นพื้นฐานของ ความเข้าใจความรู้แจ้งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันยึดไม่ได้นะครับเรียกว่าสิ่งทั้งหลายที่มันสังขารกันขึ้นเนี่ยมันย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับเพราะานะันไม่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือชีวิตร่างกายอะไรแล้วแต่แต่รับจริงแล้วมันมีสองอย่างคือกายยดสังขารกับกจิตตสังขาร ที่โยมสมพูดเนี่ยก็คือกายะสังขารแต่ว่าจิตสังขารเนี่ยสคัญเพราะว่าจิตสังขารเนี่ยมันเป็นนามธรรมเพราะนั้นถ้ามันมันก่อตัวมันสังขารกันขึ้นแล้วเราไม่เห็นเนี่ยตัวเนี้ยตรงเนี้ยเราเราจะเสวยทุกจากการคิดนึกปรุงแต่งอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อชาญมีสติปัญญารู้เห็นอย่างทันท่วงทีทุกครั้ง ที่มีการสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะครับแต่เท่าที่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นในข่าวในสังคมอะไรต่างๆเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าค่มขืนหรือว่ายาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีสติเลยไม่มีสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเลยมันนึกคิดปรุงแต่งไปจนกระทั่งบานปลายไปกลายเป็นทุกข์รับโทษทัน อย่างแสนสาหัส บ, บางทีก็ถูก ป, ประหารชีวิตเลยนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมันอยู่ที่การที่เอาตัวเราเข้าไปยึดนะทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันยึดไม่ได้ของทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ผมก็เข้าใจที่ที่ที่สมพูดนะครับ